จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่องใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเป็นวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยของพวกเรา พวกเรายึางถือเป็นธรรมเนียมที่จะมาวัดเพื่อมาสร้างเสริมสิริมมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ว่าจะเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความเจริญสูงขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไม่เสื่อมไม่ตกลงไปสู่ที่ต่ำเพราะพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนธรรมะมสวนังเอตามังกาลมุตตะมัง การฟังธรรมเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและปูชาจะปูชายานางเอตัมมังกัลมุตตมังแปลว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่จะนำความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ชีวิตเพราะถ้าเราได้ศึกษา ได้ฝังเทศฝังธรรมเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เกิดผลที่ดีแก่จิตใจของเราคือทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงจิตใจจะพัฒนาสมงขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็จะไปเป็นพรหม จากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอาหารหันเป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่พวกเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ทำให้มีความสุขได้ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้รู้วิธีที่จะ สร้างความสุขให้มีมากขึ้นสร้างความเจริญให้แก่จิตใจให้มีมากขึ้น mm hmm. เมื่อเราได้ยินได้ฟังได้รู้วิธีที่จะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราก็เอาไปปฏิบัติเหมือนกับเวลาที่เราไปเรียนหนังสือเราก็ได้วิชาความรู้เกี่ยวกับการทำมาหากินต่างๆ พอเราเรียนจบเราก็เอาวิชาความรู้นี้ไปใช้ในการท ร, รมาหากินพอเราทามาหากินมีงานทำเราก็จะมีรายได้มีเงินทองพอมีเงินทองเราก็เอาไปซื้อสิ่งต่างๆได้ซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคที่จะทำให้ร่างกายเรา ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทําให้จิตใจเราแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานฉันใดจิตใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายเราก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนความรู้เกี่ยวกับจิตใจวิธีที่จะทําให้ใจมีความสุขวิธีที่จะทําให้ใ จ, จเจริญเราก็ต้องมาเรียนที่วัดเพราะวิชานี้ไม่มีสอนที่อื่น ที่อื่นสอนแต่วิชาไว้สำหรับท ร, ร ม, มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถ้าเรามาวัดเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจพัฒนาใจให้สูงขึ้นใจนี้มีความสำคัญมากกว่าร่างกายเพราะร่างกายของเรานี้เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปี ก็ต้องหมดไปสิ่งที่เราทำให้กับร่างกายเช่นเงินทองที่เราหามาซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆให้กับร่างกายต่อไปร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปพอตายไปเงินทองที่เราหามาได้ซื้อของต่างๆมาให้แก่ร่างกายมันก็หมดประโยชน์ไปไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เพราะว่าร่างกายไม่สามารถใช้เงินใช้ทองใช้ของต่างๆที่ซื้อมาได้แต่ใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพวกเราเป็นฝาแฝดโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไปคิดว่าเราเป็นคนคนเดียวแต่ความจริงพวกเรานี้เป็นฝาแฝดมีแฝดพี่กับแฝดน้องร่างกายนี้เป็นแฝดน้องแต่ใจนี้เป็นแฝดพี่ ใจนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้น้องบอกให้น้องทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ใจก็คือแฝดพี่ก็บอกให้น้องว่าวันนี้เรามาวัดกันนะเรามาทำบุญทําทานกันคนที่คิดเนี่ยคนที่สั่งนี่แหละคือใจไม่ใช่ร่างกายใจสั่งให้มาทำบุญกันว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์เพราะว่าทำบุญแล้วจะทำให้ใจมีความสุข วันอื่นเราก็ทำให้กับร่างกายวันนี้เราก็ทำให้กับร่างกายเดี๋ยวเราก็หาอาหารให้ร่างกายกินแต่ น, น, นานๆเราจะทำให้กับตัวเราเนี่ยเราเป็นใจเราเป็นแฝดพี่ส่วนน้องนี่ร่างกายนี้เป็นแฝดน้องส่วนใหญ่เรามักจะเอาใจน้องมากกว่าเอาใจเราคอยดูแลน้องอย่างดีหาอาหารให้น้องกินหาเสื้อผ้าให้น้องใส่ หาบ้านให้น้องอยู่หายามารักษาเวลาน้องไม่สบายเวลาน้องอยากจะทำอะไรก็พาไปทำแต่เราไม่ค่อยได้มาทำให้กับตัวเราเองที่เราเป็นแฝดพี่และตัวเรานี่แหละที่ไม่ได้ตายไปกับน้องอน้องนี่ต่อไปก็ต้องตายแต่พี่คือใจไม่ได้ตายแต่พี่กลับไปทุกข์กับความตายของน้อง เพราะพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นน้องนั่นเองถ้าเรามาวัดเราจะได้รู้เรื่องนี้รู้ว่าเรานี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายนี้เป็นน้องเราเป็นพี่เราเป็นคนสั่งให้น้องทำอะไรต่างๆเราเป็นคนดูแลน้องเลี้ยงน้องอาบน้ําให้น้องทำอะไรต่างๆให้น้องอยู่ได้อย่างสุขสบายจนเราลืมมาดูแลตัวเราเอง ตัวเราเองนี้กลับต้องมาทุกข์กลับมาวุ่นวายกับการเลี้ยงน้องมากจนเกินไปลืมไปว่าเลี้ยงอย่างไรต่อไปน้องก็ต้องตายอยู่ดีแต่เราไม่อยากให้น้องตายเราก็เลยพยายามทำอะไรอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องอยู่ไปได้นานๆแต่ทำยังไงดีขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะทําให้น้องอยู่ไปได้ตลอด แต่เรานี่อยู่ได้ตลอดแต่เรากลับไม่ค่อยมาทำอะไรให้กับเราไม่มาพัฒนาตัวเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นตอนนี้เราเป็นมนุษย์แต่เราสามารถเสริมเพิ่มตัวเราให้สูงขึ้นได้ทำตัวเราให้เป็นเทวดาได้ทำตัวให้เราเป็นพรหมได้ทำตัวเราให้เป็นพระอริยะเจ้าได้ เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้พระพุทธเจ้าก็มาจากพวกเรานี่แหละเมื่อก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราแล้วท่านได้ไปเจอวัดท่านก็ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วพอได้ฟังธรรมแล้วก็ได้รู้ว่าตัวท่านสามารถพัฒนา ให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นได้ท่านก็เลยเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติมาพัฒนาตัวเองจนในที่สุดก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทาตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำถ้าเราทำได้เราก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกกัน นี่คือเรื่องของเราที่เราไม่รู้กันว่าเรานี่สามารถที่จะทำอะไรที่ดีที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่าได้ต่อให้เราหาเงินทองได้กองเท่าภูเขาต่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นนายพลได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สู้กับการที่เรามาพัฒนาตัวเราให้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ เพราะอะไรพระอริยเจ้านี้ถึงจะดีกว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีก็เพราะว่าพระอริยะเจ้านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยีกต่อไปแต่ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระนานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่และเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้จะกลับมาเกิดเหมือนเดิมได้หรือเปล่า ตายไปแล้วอาจจะกลับมาเกิดเป็นขอทานก็ได้กลับมาเกิดเป็นโจรก็ได้กลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญก็ได้เพราะว่าอยู่ที่การกระทาของเราว่าเราทำอะไรถ้าเราทำดีเราก็จะได้กลับมาเกิดดีถ้าเราทำไม่ดีเราก็จะกลับมาเกิดไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำดี ให้ละการกระทำไม่ดีทำดีก็คือให้ทำบุญละการกระทำไม่ดีก็คือไม่ให้ทำบาปแล้วก็ให้เรามาชำระใจของเราเหมือนกับเราชำระร่างกายเวลาร่างกายเราสกโปกเราก็ไปอาบน้ำอาบน้าร่างกายก็สะอาดไม่มีกลิ่นเหมนใจของเราสกโปกเราก็ต้องไปอาบน้ำให้ใจ ถ้าเราอาบน้ําชำระใจให้สะอาดใจของเราก็จะเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมานี่คือคําสอนที่พวกเราจะมาได้ยินได้ฟังกันในวันนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรานี้สามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองให้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ได้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์มีความสุขของมนุษย์แต่เราสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ ด้วยการทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้เรามาละการกระทำบาสมารักษาศีลห้ากันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาแล้วก็ให้เรามาทำความดีกันมาทำบุญกันมีอะไรก็มาแบ่งกันมาช่วยเหลือกัน มาให้กับคนที่เขามีน้อยกว่าเราให้กับคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเราเรียกว่าทําความดีช่วยเหลือแบ่งปันถ้าเรามีอะไรจะแบ่งได้ก็แบ่งไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแบ่งไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ควรจะทําทํามากทําน้อยไม่สําคัญขอให้เราได้ทําเพราะกัน ทำแล้วจะทำให้เราเป็นเทวดากันขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีเราเพียงแต่รักษาศีลไว้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้แต่ถ้าเราไม่รักษาศีลด้วยเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปกลายเป็นสุนัขกลายเป็นแมวไปเพราะพวกเดรัจฉานนี่เขารักษาศีลไม่ได้นั่นเองเคยเห็นหมารักษาศีลไหม ก็เห็นแมวรักษาศีลนะหมาลองวางขนมไว้เดี๋ยวเพิรมันก็ข้าไปกินแล้วเนี่ยมันรักขนมเพราะมันอยากกินพอใครวางของไว้มันเห็นปั๊บมันก็ข้าไปกินเพราะมันไม่รู้จัก ร, รักษาศีลเพราะมันไม่มีใครสอนเป็นเดรัจฉานี่พูดกันไม่ได้คุยกันไม่ได้จึงไม่รู้ผิดถูกดีชั่วมนุษย์เรา ถ้าไม่สนใจกับการฟังคำสอนของผู้รู้ของผู้ฉลาดไม่สนใจเรื่องผิดถูกดีชั่วแล้วก็ทำอะไรตามความอยากไปเดี๋ยวก็ต้องไปทำบาปไปลักขโมยไปฆ่าสัตว์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงพอทำแล้วก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปถ้าไม่อยากจะไปเป็นแมวเป็นนก เป็นหมาเป็นวัวเป็นควายก็ต้องรักษาศีลกันถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ยังจะเป็นมนุษย์ต่อไปตายไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรต่างๆเพราะเรามีศีลป้องกันไว้ไม่ให้ไปนี่คือวิธีที่เราจะรักษา ความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการรักษาสีนแล้วถ้าเกิดเราร่ำรวยมีของมีเงินท้องเหลือใช้เหลือกินก็เอามาทำบุญกันพอเราทำบุญเราก็จะได้ขึ้นไปเป็นเทวดาเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปใช้บุญก่อนพอบุญหมดแล้วเราค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าเป็นจากเทวดา อยากจะขึ้นไปเป็นพรหมเราก็ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าเป็นศีลแปดรักษาห้าข้อไม่พอไม่มีกำลังพอที่จะส่งให้ขึ้นไปถึงชั้นพรมหมได้ต้องรักษาเพิ่มอีกสามข้อต้องไม่กินข้าวเย็นไม่ต้องเที่ยวไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องนอนกับแฟนไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ไปอยู่วัด แล้วก็ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทําใจให้สงบด้วยการเจริญสติพุทธโธพุทธโธไปอยู่เรื่อยเพราะถ้าไม่มีสติใจจะไม่สงบจะทําให้ใจสงบนี้ต้องท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องแม่นกันให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเวลานั่งสมาธิพุทธโธไปใจก็จะสงบ พอสงบใจก็ไปถึงสวรรค์ชั้นผงนี่คือสวรรค์ที่มีความสุขที่สูงสุดก็คือสวรรค์ชั้นผงแต่เป็นความสุขชั่วคราวพอเรากําลังสติหมดไปใจก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทวดาเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ต่อไปถ้าอยากจะไม่เสื่อมกลับลงมาอยากจะให้อยู่เป็นเป็นพระอริยะเจ้า ก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าฟังเทศของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องตัดต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันต้นเหตุก็คือความอยากอยากเที่ยวอยากเล่นอยากกินอยากดื่มอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อยากไม่ให้เขาด่าเราว่าเราความอยากเหล่านี้เราต้องหยุดมันให้หมดนะวิธีที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมาบวชกันมาบวชเป็นพระบวชเป็นเนมบวชเป็นชีบวชเป็นภิกษุณีกันนะถ้าเรามาบวชแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ไดนะ้ถ้าเราหยุดความอยากต่างๆนี้หมด ไม่มีความอยากเที่ยวไม่มีความอยากเล่นไม่มีความอยากดูอยากฟังอะไรไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีความอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ hmm. ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด hmm. อีกต่อไปก็จะได้ไปเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอหรหันตสาวกเป็นพระพุทธเจ้า hmm. สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดนี้ไม่ดีเพราะอะไรเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เกิดแล้วก็ต้องมาลำบากอย่างที่เราลำบากกันเนี่ยต้องไปดินน้นรนไปเรียนหนังสือกันเรียนหนังสือจบมาก็ต้องไปหางานทํากันพอได้งานทําก็ต้องไปทํางานกันได้เงินมาก็ต้องมาซื้อของมาเลี้ยงร่างกายกันเลี้ยงยังไงก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายทำแทบเป็นแทบตายในที่สุดร่างกายก็ตายไปสู้อย่าไปทําให้ร่างกายดีกว่า มาทําให้ใจดีกว่ามาทําให้ใจตามที่พระเจ้าสอนก็คือมาทําบุญกันมาละบาปกันแล้วมาชําระความอยากให้มันหมดไปจากใจถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้เราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอาหารหันตาสาวกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปไปอยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว ไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างที่เรามีกันทุกวันนี้เรามีสุขบ้างทุกบ้างสามวันสุขสี่วันทุกข์กันแต่ถ้าไปอยู่ที่พระนิพพานแล้วจะไม่มีทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขไปทุกวันจนไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการมาเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราโดยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วเมื่อศึกษาแล้วรู้ว่าจะต้องทาอะไร ก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลจากการปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเข้าสู่ความสุขที่ถาวรต่อไปนี่คือมงคลของชีวิตกาเลนะธมมรรมสวรังเอตัมมังกลลมุตตะมังการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง บูชาจะบูชนียานามัมเอตมังกลมุตตมังการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเป็นมงคลอย่างยิ่งวันนี้เรามาศึกษาแล้วได้มงคลไปหนึ่งข้อแล้วเรายังขาดอีกข้อหนึ่งก็คือไปปฏิบัติบูบชากันทำบุญกันละบาปกันแล้วก็ไปหยุดความอยากกันอย่าทำตามความอยากกัน แล้วเราจะได้มงคนที่สูงสุดคือจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของวันสงการที่พวกเรามาวัดกันเพื่อมาสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราและให้กับผู้อื่นผู้อื่นก็คือพระสององค์เจ้า ก, ก็ได้รับประโยชน์จากที่ญาติโยม น, นำข้าวของเงินทองอาหารขาวหวานมาถวาย ญาติโยมก็ได้ทําบุญญาติโยมก็จะได้มงคลพระก็ได้อาหารได้กําลังที่จะได้ไปเสริมสิริมงคลของพระคือไปปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี mm ่ hmm. จึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและขอให้ท่านทั้งหลายพึงทํากันไปได้เรื่อยเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป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 Thank <laughs> you.